ที่ให้วิบากในกาเนิดสัตว์ดิรัจานก็มีที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มีที่ให้วิบากในมนุสยโลกก็มีที่ให้วิบากในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรมข้อความจากนิเพทิกาสูตรคนพานประพฤตทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแล้วย่อมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า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 มุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์พบภูมิไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆกับทั้งไม่ได้เกิดจากความลำเอียงของใครแต่เกิดขึ้นด้วยวิธีที่เราคิดเราใช้ชีวิตด้วยความคิดแบบใดหลังตายจากโลกนี้ไปก็มีสภาพของพบภูมิที่เหมาะจะรองรับกับความคิดแบบนั้นนี่คือความจริงของจักรวาลมีเหตย่อมมีผลมีกรรมย่อมมีวิบาก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 สาระที่ควรเข้าใจคือเปลี่ยนความคิดได้ก็เปลี่ยนภพภูมิได้โดยที่แท้แล้วโลกนี้เป็นเพียงจุดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนระหว่างภพด้านล่างกับภพบด้านบนเป็นจุดตั้งหลักตัดสินว่าวิญญาณใดจะไปครองอัตภาพแบบไหนในอนาคตเบื้องหน้าจุดเปลี่ยนของคุณอาจเกิดขึ้นที่นาทีนี้ก็ได้